จะได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะเมื่อได้รับพยากรณ์เสร็จแล้วท่านคิดอะไรท่านพูดอะไรแล้วก็ท่านทําอะไรสิ่ง <Philadelphia. S 2> ที่ท่านคิดเรียกว่ามโนสุจริตสิ่งที่ท่านพูดเรียกว่าวจีสุจิริสิ่งที่ท่านทําเรียกว่ากายสุจริตคือเมื่อได้รับพยากรณ์แล้วท่านมีกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริอย่างไรแล้วท่านสั่งสมบุญสั่งสมญาณสั่งสมความรู้อะไรบ้าง แล้วท่านมีใจกรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายอย่างไรท่านทําเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่สัตว์เหล่าไหนท่านเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างไรแล้วท่านทําอะไรบ้างแล้วท่านดํารงอยู่ในคุณธรรมประจําใจอะไรบ้างท่านมีเรียกว่าอธิฐานธรรมทําเป็นที่ตั้งแห่งแห่งจิตใจของท่านท่านดํารงอยู่ด้วยสัจจาธิฐานอุปสมาธิฐานจารคาธิฐานปัญญาถิฐานอย่างไร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 พระองค์มีโยนิสโสมน ส, สิการอย่างไรพระองค์โยนิสโสะอะไรบ้างอะไรบ้างที่พระองค์โยนิสโสะแล้วเป็นที่ตั้งแห่งปีติปราโมทย์ปัสสัต t h สมาธิอุเบคาหรือเป็นที่ตั้งแห่งสมาธิยะถาภูตยานัทสนะนิพิทาวิราคะเป็นฐานของการตรึกแล้วเป็นไปเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์ตรึกอะไรพระองค์คิดอะไรและสุดท้ายอย่างที่เรากําลังเรียนในพุทธวงศ์ก็ยกตัวอย่างว่าที่ภาษาริบุตรถามพ ร, พระองค์ว่า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 อริยทรัพย์เป็นธรรมที่ควรเจริญปัญหาเราเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่าใดเท่าใดแปลว่าเราเจริญขึ้นเท่านั้นนะแต่ถ้าเรารู้สึกเกรงใจคนอื่นขึ้นทุกวันทุกวันทุกวั น, กวนเกรงใจแม้กระทั่งลูกเล็กเด็กแดงใครก็เกรงใจไปหมดดูถ้าเริ่มป่วยแล้วนะนั่นะนะ่นะต้องหาหมู่หาหมอเลยล่ละหายาอะไรสักก็ได้ให้มันรักษาโรคเรานะั้นนะ่ะนะก็นะคือคนที่น่าเกรงใจที่สุดเนี่ยก็คือเกรงใจตัวเองแต่ทีนี้วิจารณญาณต้องแม่นยำ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 และมีกรุณามีปัญญาไม่เบียดเบียนตัวมีกรุณาแลว้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่นเนี่ยนะก็ต้องหมั่นหมั่นอธิษฐานหมั่นสมาทานให้กุศลธรรมเนี่ยเจริญ ง, งอกงามยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่น่าคิดว่าถ้าเป็นทางโลกเนี่ยนะแม้กระทั่งค้าขายเป็นต้นเขายัางคิดเลยว่าปีนี้สินค้าของเขาจะมียอดเพิ่มเติมขึ้นขนาดไหนนี้ภายในเนี่ยเดือนนี้ถามว่า วันนี้ของปีหน้าเราต้องมีศรัทธาขึ้นอีกเท่าไหร่เคยเคยคิดอย่างนี้ไหมลุงเือคิดไหมไหมว่าเออปีหน้าเนี่ยวันนี้ของปีหน้านะศรัทธาจะต้องคูณอีกเข้าตัวรู้จักพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัวเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าอีกเท่าตัวไม่ใช่ว่าปีนี้ก็สวดมนต์เท่านี้ปีหน้าก็อารหังตามเดิมเนี่ยคิดอยู่ได้เท่านี้อารหังสัมมาสัมพุโทโธปะควานหน้าเบี้ยวอย่างนั้นอะ่ะโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนาะ ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนั่นเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นท่านอารหังปั๊บเนี่ยปีติขึ้นเลยเข้าใจมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น น, นะสัมมาสัมพุทโตก็เข้าใจทราบซึ่งมากขึ้นนั้นไร่เลยศรัทธาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสมปันโนสุขโตโลกวิทวานุตโรทุกบทเนี่ยโอ้ยเรื่อมใสจริงๆเลยมั่นคงไม่หวั่นไหวปีที่แล้วเข้าใจนิดหน่อยเองปีนี้เข้าใจขึ้นมาตั้งเยอะปีหน้าจะต้องเยอะกว่านี้อีกสิบเท่า20สบเท่า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 สิ่งที่เราต้องการนี่ตลอดเราอยากได้รูปใช่ไหมมาตรวจสอบตรวจสอบฐานตัวเองว่าเราอยากได้รูปใช่ไหมเราทําทุกอย่างเพื่อรูปเพื่อเสียงเพื่อกลิ่นเพื่อรสเพื่อโพธิภะใช่ไหมเราต้องการแสวงหาวัตถุกรมใช่ไหมถ้าต้องการแบบนั้นหอยหิวต้องการแบบนั้นเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเรียกว่าอภิชาเรามีกําลังนะแต่ถ้าเราต้องการกุศลธรรมยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเรียกว่าอนะพิชา ต้องเปลือบปราถนาะเพิ่มพูนกุศลธรรมนี่เป็นอนัพิชาแต่ถ้าต้องการวัตถุ ก, การมทั้งหลายเป็นอภิชาแต่ปราถนาความเจริญแห่งกุศลธรรมเป็นอนัพิชาแล้วสัมมาทิฐิเนี่ยนะสัมมาทิฐิเราเป็นอย่างไรกรรมสกตายานเราเป็นอย่างไรวิปัสสนาญาณเราเป็นอย่างไรเราเข้าใจคําสอนขนาดไหนอะไรอย่างไรก็อยากจะกล่าวเพื่อการทบทวนในบุญกุศลคุณงามความดีโดยเฉพาะมนุษยธรรมคือ กุศลกรรมบทสบิมนุษยธรรมคือกุศลกรรมบทสิของเราเป็นอย่างไรเพราะว่าตกนรกขึ้นสวรรค์คุยกันที่ไหนใครบอกได้ใครไวยก ร, ร์เรากุศลจิตในใจเรานี่แหละจะเป็นตัวบอกเราทั้งหมดผั้นคนที่เจริญกุศลธรรมระดับสูงยิ่งไปยิ่งเกรงใจตัวเองมากยิ่งขึ้นเกรงใจโดยเฉพาะเกรงใจที่เป็นบุญเป็นกุศลถ้าถ้าปล่อยให้จิตเป็นบุญเป็นกุศลได้บ่อยๆเท่าใดก็เป็นคนที่ เคารพตัวเองนนคนที่มีความเคารพยำเกรงต่อตัวเองเรียกว่าหิริโอตัิริมีกำลังถ้าเข้าใจทราบซึ่งในพระคุณของพระพุทธเจ้าเท่าใดเราก็จะเคารพพระองค์มากเท่านั้นโอตตะปะของเราก็จะมีกำลังฮิริโอตตะปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลหิริเหตุโอตตปะเป็นเหตุใกล้แห่งศีลเราก็จะเพิ่มพูนบุญกุศลที่เรียกว่าเจตนาที่เป็นศีลได้บ่อยๆขึ้น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 เอามาวางแผนเป็นเรื่องเป็นราวเลยไหมว่าเรื่องนี้เราก็ต้องไม่ฆ่าปลวกเอามาไล่ไม่สมควรกก่การฆ่าโดยประการทั้งปวงมดมแมลงก็ไล่ไปเรื่อยๆไม่มีเหตุผลใดที่เราต้องฆ่าอธิบายไม่ได้เลยว่าเราจําเป็นต้องฆ่าเว้นมีแต่ไม่ฆ่าอย่างเดียวรู้ว่าเจตนาฆ่ามีผลต่อไปอย่างไรถ้าเว้นจากการฆ่ามีคุณานิสง์มีประโยชน์อย่างไรแล้วก็เพิ่มพูนเจตนาเพื่อการไม่ฆ่าต่อไป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 เกลียดที่สุดงั้นนะบอกว่าคําพูดที่ปรารบศรัทธาคนไม่มีศรัทธาไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบศีลคนทุศีลไม่ชอบฟังถ้อยคำปราลบความเพียรคนเกียดคร้านไม่ชอบฟังถ้อยคำปราลบความเพียรคนเกียดคร้านไม่ชอบฟังถอยคำปราลบสติคนหลงลืมไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบสมาธิคนฟุ้งซ่านไม่ชอบฟังถ้อยคําปรารบปัญญาคนโง่เขลาไม่ปรารถนาจะฟังนะนะนั้นอันหนึ่งที่ที่เราศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะช่วยตรวจสอบ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 รากของพระองค์คือศีลลำต้นคือลำต้นคืออะไรเหนมืาอวานมาอวานานะมีสมาธิเป็นลำต้นมีปัญญาเป็นกิ่งก้านมีอภินยาเป็นดอกมีวิมุตเป็นผลอันนั้นคือต้นไม้คือพระพุทธเจ้า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 ศีลก็ดึงเจตนาออกมาใช้งานให้มันเต็มที่ดึงกุศลสัญญาออกมาใช้งานให้เต็มที่ดึงความสุขที่เป็นไปกับกุศลให้มีอย่างเต็มที่ดึงฮิริโอต ป, ปะดึงวิตตกดึงวิจารณ์ที่เป็นไปกับกุศลวิตกเป็นต้นเนี่ยนะดึงกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นภูมิคุ้มกันอย่างเต็มที่เลยแหละเรียกว่าสมาทานปลูกฝังบุญกุศลเหล่านี้ให้ต้นบุญต้นกุศลเหล่านี้เจริญ ง, งอกเงยงอกงาม ยิ่งยิ่งขึ้นไปนะใครที่เรียนปัจจัยมาจะรู้ว่าอย่างเช่นกลุ่มอะโลภาอะโทสะอะโมหะเป็นเหมือนกับรากเหตุสมาธิเป็นต้นเป็นมัคสมาธิเป็นต้นเป็นมัคเนี่ยนะเป็นมัคอะไรเป็นอินทรีย์อะไรเป็นมัคอะไรเป็นเหตุเนี่ยนะอะไรเป็นอธิบดีเป็นต้นเนี่ยเขาจะมีการไข่ครวนแล้วก็พัฒนาคุณภาพแห่งกุศลธรรมเหล่านั้นให้ จเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะมันทำยังไงจะดึงคุณธรรมเหล่านั้นให้จเจริญงอกเงยเพราะคุณธรรมเหล่านั้นที่อยู่ในใจเรานี่แหละเป็นนิยานิกะธรรมเป็นคุณธรรมที่จะนําออกจากทุกเนี่ยนะหมันสมาทานหมันอธิษฐานปลูกฝังให้คุณธรรมเหล่านี้จเจริญเจริญเท่าไหร่ก็ใกล้ต่อความพ้นทุกเท่านั้นแต่ถ้าไม่จเจริญขึ้นเลยเนี่ยนะก็ต้องมาทบทวนเหมือนกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมกุศลไม่จเจริญเลย